ใส่โยนใส่ฟ้ายกมือให้ดูหน่อยเรมีไม่มากเนาะหรื อ, อยังมาไม่ถึงาการสุรวัตรพูดอะไรให้ฟังบ้างนะมีไหมทำไมก็คน เรียนอะไรกันบ้างบ้างแล้วอ่าโอนนอาไดสอนถึงเรื่องการดูจิตอย่างมีตัณฑ์จริงๆเรา <c oughs> หัดภาวนามานานนะ่ละคนไฟฟ้าเองมีชื่อเสียงมานา น, นเรื่องเข้าวัดเป็นทีมเข้าวัดที่เข้มแข็งที่สุดเลยที่หลงพ่อเคยรู้จักตั้งแต่สอนโน้นคุณหญิงสุรีพันอะไรต่อไป มีสุริยพันกับตัวภาพแต่ก่อนก็เคยเจอกันพวกเราภาวนาหลายคนภาวนามานานหลายปีบางคนไม่ค่อยพัฒนานิ่งถ้าเราเฉลียวใจสักนิดหนึ่งว่าถ้าภาวนาหลายปีแล้วก็เหมือนเดิมคือสงบแล้วฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วสงบก็ไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะถ้าไม่ผิดพาดภาวนาถูกต้องมีสติ มีสัมปชัญญะมีสัมม า, ม ส, มมาสมาธิเราจะต้องเห็นผลอย่างรวดเร็วถ้าสติปัฏฐานเนี่ยให้ผลเร็วเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีให้ผลจริงๆไม่ใช่นิยายนะเจ็ดวันก็มีจริงๆ7เจ็ดเดือนก็มีจริงๆมีส่วนมากเราภาวนานเนี่ยเราไปติดแต่สมาธิกันเกือบทั้งหมดติดสมาธิไม่ว่าสายไหนนะ อย่างหลงพ่อแต่ก่อนอยู่เกิดครูบาอาจารย์วัดป่าก็ไปฟ้าชักไปกันแต่ก่อนไปวัดป่าครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนจะสอนเรื่องสติเนี่ยสาคัญมากสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสอนขนาดนี้พอามารุ่นหลังๆนะเราได้ยินแต่เรื่องสมาธิไปวัดไหนก็พูดแต่เรื่องสมาธิเรื่องอาการของจิตที่เกิดจากสมาธิเรื่องอะไรตอไ่ออะไร เราลืมคำว่าจิตผู้รู้ไปคเราไม่รู้จักจิตผู้รู้เราก็ภาวนาไม่ได้ถ้าเดินแนวคุูบาอาจารมักต์าไม่ใจ่จะต้องตั้งมั่นขึ้นมาก่อนเป็นผู้รู้ผู้ดู ไ, ได้โนบูเทศท่านสอนบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าถึงจิตถึงใจถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติถ้ายังภาวนาไม่ถึงจิตถึงใจไม่ได้แก่นสารได้แต่เปลือเปือกได้แต่รูปแบบ สมัยหนึ่งหวพ่อยังไม่บวดไปหากราบลวงปู่เทสตอนนั้นท่านอยู่หินมักเต่งคนเยอะเลยในวัดกลางคืนนะคนไปนั่งภาวนาในโบสถ์ในโบสถ์ท่านไม่โตนะนั่งกันเต็มโบสถ์เลยแล้วก็อยู่รอบๆบโบสถ์นี่อยู่กันร่วมน้อยเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรกัเยอะแยะหลวงพ่อเข้าไปเดินดูนะเดินผ่านๆไปดูเอ๊ไม่มีใครปฏิบัตินเนี่ย ในใจเลือกอย่างนี้นะไม่มีคนปฏิบัติมีแต่คนยืนคนนั่งแต่ไม่ใช่การปฏิบัติก็ไม่มีใครเจริญสตินั่งก็นั่งให้มันสงบอย่างเดียวให้มันเคลิ้มเคลิ้มไปนั่งให้สงบก็อ ย, อยังดีนะเดินจงกรมได้ความสงบก็อ ย, อยังดีได้สมถะแต่ยังไม่ได้แก่นสารอะไรสมรถะกรรมฐานมีมาก่อนศา ส, สนาพุทธ มีน้ำซ้ําบางคนสมถะก็ไม่ได้นั่งเอาเคลิ้มเราคิดว่าจิตสงบจิตรวมกับจิตเคลิ้มเคลิมเนี่ยเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลานั่งแล้วจะนั่งนะอันนี้ทําให้ดูนะตัวตรงบางคนตัวตรงแต่ใจเป็นอย่ไหนใจหลับไปอีกพวกหนึ่งก็นั่งเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งจนจิตทื่อๆนะอย่างคุณเบอร์หกเนี้ยซนะับเพ่งนะจิตจะไปเพ่งแล้วมันจะเป็นนิ่ง เนี่ยไปเดินเดินดูมีหลายแบบนะแต่ว่าไม่ใช่การเจริญสติก็นึกในใจว่าไม่มีใครเจริญสติไม่มีใครปฏิบัติตอนเช้าตามคุณป้าคนหนึ่งเข้าไปป้าอะไรนะน้าเหลาแต่จอกไม้ตามเข้าไปหาหลวงปู่หลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มนะวัด น, นี้ไม่มีใครเขาปฏิบัติกันแล้วท่านพูดยิ้มยิ้มนะแหมเรา ตกใจเราแอบคิดนินทาอยู่ <c oughs> คนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วทำไมไม่ปฏิบัติก็ <c oughs> นั่งสมาธิเดินจงกรมทาไมไม่เรียกว่าปฏิบัติการนั่งสมาธิการเดินจงกรมนั้นเรียกว่ารูปแบบของการปฏิบัติแต่เนื้อหาสาระของการปฏิบัติจะมีหรือไม่มีอยู่ที่จิตเรานี่ต่างหากเห็ <c oughs> นมีผู้ชายคนหนึ่ง <c oughs> อ่อนว่าหลวงพ่อไม่กี่ปีไปหาครูบาอาจารย์ไปด้วยกันเป็นเพื่อนสหาหัสนิทกันเหมือนพี่น้องกันไปด้วยกันไปหาตั้งแต่หลวงปู่ดูนมาด้วยกันแล้วเข้าวัดมาด้วยกันตลอดคนนี้เวลานั่งสมาธินะหาความสงบห า, ผาเผยไม่ได้เลยนั่งแลนะคอพับคอห้อยนั่งดีๆอยู่เนี่ยนั่งไปสักพักนะแข้งขาเหยียดออกไปเลยกลางแขนกลางขานั่งนะ ครับพวกกาหัวเราะยิ้มยิ้ ม, มเห็นนี่แต่นี่นั่งคงนั่งไม่เป็นครูบาอาจารย์เตือนอย่าหัวเราะเขานะตัวเขาไม่ตรงแต่ใจเขาตรงนั้นตัวสำคัญอยู่ที่ใจนะจิตใจนะถูกต้องไหมถ้าจิตใจไม่ถูกต้องมันก็ใช้ไม่ได้จิตใจที่ถูกต้องเ็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบอกบานจิตใจที่ไม่ถูกต้องเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปลุงผู้แต่งผู้หลง น้อยคนที่จะเกิดจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงถ้าเกิดจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่แท้จริงแล้วเนี่ยลงมือรู้กายลงมือรู้ใจเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องมีผลอะไรสักอย่างไม่ได้พระราหารยุคนี้ยากไมได้โสดาไได้สกิถักคาอะไรอย่างนี้พอได้อยู่พระราหารก็ขืดขึ้นขอหน่อยทำกันทุ่มเทชีวิตภาวนา ไม่ใช่นลมใสั <c oughs> ยจะต้องทำหลักให้ถูกก่อนทำไงใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นได้ถ้าใจต้องไม่เป็นผู้หลงผู้หลงมีสองแบบหนึ่งหลงไปคิดไปนึกไปตรงไปแต่งใครรู้จักใจลอยก็ใจลอยใครไม่เคยใจลอยก็เพี้ยนมาะและใจลอยนั่นแหละคือใจมันหลงไป เมื่อไรมันลืมกายเมื่อไรมันลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าหลงนะนี่นิยามของคําว่าหลงคือคําว่าขาดสัมมาสติหนึง่งอาจจะมีสติอย่างโลกโลกนะเช่นอยากทําบุญอยากใส่บาตรมีจิตเป็นกุศลมีสติแต่มันไม่ใช่สติที่ใช้ทํำมิปัสสนะเป็นสติธรรมดาธรรมดาไปอ่านหนังสือได้ครับรถได้มีสติสติโลกโลกส่วนตัวสติแท้ๆเนี่ย คือสติที่สามารถาระลึรู้กายาระลึกรู้ใจได้สติที่รู้กายรู้ใจเรียกว่าสัมมาสติแต่การรู้กายรู้ใจจะทําทได้จริงต้องไม่เผลอไปถ้าเมื่อไหร่เราเผลอไปเราเหม่อไปเราใจลอยไปเนี่ยเราไม่รู้กายเราไม่รู้ใจเราจะรู้เรื่องที่จิตสังเกตให้ดีเราทดสอบตัวเอง น, นัตั้งแต่ขณาดนี้เลยฟ <c oughs> ังหลวงพ่อพูดสังเกตไหม บางทีก็มองหน้าหลวงพ่อใช่ไหมบางทีก็ตั้งใจฟังขณะที่ตั้งใจฟังหน้าหลวงพ่อจะเบลเบลไปละฟังแป๊บเดียวก็ไปคิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปทุกคนทําอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดอะไรฟังไปคิดไปแต่เราไม่เคยเห็นเราคิดว่าเราฟังตลอดเลยการที่จิตเราไปฟังเราก็ไม่รู้จิตเราไปคิดเราก็ไม่รู้เรารู้เรื่อง เรารู้แต่เรื่องที่ฟังรู้แต่เรื่องที่คิดนี่เรียกว่าขาดสตินะขาดสติการรู้เรื่องที่คิดเนี่ยไม่ใช่ว่ามีสติหมามันคิดนะหมามันก็รู้เรื่องที่คิดนะไม่อัศจรรย์แต่การที่รู้ว่าจิตติดคิดเนี่ยการรู้ว่าจิตไปฟัง น, นี้อัศจรรย์ที่สุดถ้าเรารู้ว่าจิตติดคิดรู้ว่าจิตไปฟังเราจะเห็นจิตนั้นทํางานได้เองจิตไม่ใช่ตัวเรา มันฟังมันก็ฟังของมันเองมันคิดมันก็ไปคิดของมันเองมันสลับไปสลับมาลองสังเกตของจริงๆในขณะนี้เลยนะขณะที่เราฟังกับคิดเนี่ยเราฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปสังเกตดูซิจริงหรือไม่จริงเอาแล้วหลวงพ่อจะแสดงปฏิหารให้ดูลองมองหน้าหลวงพ่อนะจะเห็นได้ไม่ชัดเห็นได้ชัดแว็บเดียวรู้สึกหมดูออกไหมจะเห็นชั ด, ดแค่แว็บเดียว แ้วก็จะเบลเบลไปต้องตั้งใจมองใหม่ถึงอชัดใหม่นี่จริงๆไม่ใช่ปฏิหารอะไรนะเป็มองหมาก็เหมือนกันนะเราจะเห็นมันชัดแวบเดียวเพราะอะไรเพระาะจักรปุวิญญาณจิตจิตที่เกิดที่ตาที่ไปเห็นยไม่เห็นชัดด้วยทีเราแว บ, บเดียวเพรนันเวลาเราฟังคำมะนะเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งเดี๋ยวก็ฟัง ฟังแว บ, บหนึ่งแล้วก็สลับไปคิดีคิดยาวกว่าฟังอีกสลับไปสลับมาแต่เราไม่เคยเห็นเราทาอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดหน้าที่ของเราต่อไปนี้นะหนึ่งวันต่อไปนี้หัดดูเวลาที่เราอยู่ในกลุ่มด้วยกันกลับไปดึงค่อยแล้วหรือจะต่อไปนี้ตั้งแต่เวลานี้ไปทากันบ้านเราไม่ได้เรียนปริยัยตเรียนปฏิบัติทำกันบ้านก็คือ จิตเราไปฟังก็รู้จิตเราไปคิดก็รู้จิตเราไปดูก็รู้อัดรู้เชิญทุกคนมองภาะประธานมองยอดท่านนะมองให้ดีตั้งใจมองเดี๋ยวเราก็่จะตั้งคำถามอยองข้างไหนข้างซ้ายหรือข้างขวามีเปลยวยี่แฉกสังเกตให้ดีนะ ไปเก็บไหขณะที่เรามองเนี่ยเราลืมตัวเราเองะเมื่อจิตเราส่งออกไปทางตาเนี่ยจริงจิตสออกนอกที่หลวงปู่ดูนพูดถึงจิตสโศกนอกจิตสศกไปทางตาขณะนั้นมองเห็นแต่ลืมกายลืมใจตนเองลองลองมองใหม่นะแล้วรู้สึกไหมเราลืมกายลืมใจในขณะที่มองเวอรยี่สิบเอ็ดรู้สึกนะเวอรยี่สิบเอ็ดน้อมใจอย่างนั้น นย่าน้ำใจให้ซึมซึมนิ่งนิ่งไปสังเกตออาแม่นะยกเว้นพวกเพ่งกับศิล น, นะอย่างเบอรหกจะเพ่งเก่งเวลาเพ่งแล้วจะเป็นติดอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ใจก็จะนิ่งนิ่งไปนะแต่ถ้าคนทั่วทั่วไปเนี่ยเวลาเรามองอะไรนะสังเกตนิดนึงเลยเห็นเลยใจเราไหลไปเกาะ อ, อย่างเราไปเพ่งอะไรก็ตามใจเราจะไหลไปเกาะที่นั้นในขณะที่ใจเราหลงไปทางตาเราก็ลืมตัวเอง หรือเวลาเราตั้งใจฟังเขาคุยกันสมมุติว่าคนข้างบ้านเราเขาคุยกันกซุบซิบซุบซิบนะเราสนใจอยากรู้เรื่องที่เขาคุยตั้งใจเงี้ยหูฟังไปแอบฟังเขาเงี้ยหูฟังในขณะนั้นจิตส่งออกทางหูได้ยินเรื่องที่เขาคุยแต่ลืมกายลืมใจเห็นไหมการขาดสติแล้วนะมันขาดได้ละเอียดละออนนะจิตส่งออกไปแล้วก็ขาดสติคือลืมกายลืมใจนะนั่งอยู่คนเดียวก็นั่งคิด สังเกตไหมไม่เคยหยุดคิดไม่ต้องหยุดคิดนะจิตมีหน้าที่คิดเพราะฉะนั้นไม่ได้ฝุดให้หยุดคิดแต่ฝึกให้รู้ทันว่าจิตกําลังแอบไปคิดอยู่มันถล่าไปคิดมันส่งออกไปคิดะเนี่ยคุณเบอร์ห้ารู้สึกไหมจิตกําลังไปคิดจิดมันไหลไปคิดจําเบอร์ไว้นะจิตมันนีไปคิดนะเบอร์สี่รู้สึกไหมลืมตัวเองขณะตะกี้เนี้ยแวบตะกีะ ลืมกายลืมใจของเราเองเบอร์หกลืมไปแล้วลืมกายลืมใจตนเองเบอร์สิบหกเกรงขึ้นมาแลทราบไหมเบอร์สิบหกจำเบอร์ไว้นะจำเบอร์ไว้เบอร์เก้าเลิกดูได้แล้วเบอร์เก้าหลงดูนานไปแล้วนี่หันรู้สึกนะหนเห็นสภาวะจริงๆสภาวะจริงๆที่เราต้องเรียนรู้วิปัสสนาเนี่ยต้องรู้กายต้องรู้ใจต้องเห็นสภาวะจริงๆของกายของใจ วันนี้พูดเรื่องสภาวะของใจก่อนนะเดี๋ยววันหลังจะพูดสภาวะของกายให้ฟังการรู้กายน่ะยากกว่าที่จิดไว้เยอะเลยถ้าจิตไม่ทรงฌานไม่สามารถรู้กายแล้วก็เห็นรูปได้หรอกมีแต่จะรู้กายแล้วเห็นอวัยว ะ, ะเดี๋ยกค่อยว่ากันตอนนี้เราฝึกจริงๆฝึกรู้ทันสภาวะของจิตสังเกตไหมจิตเราทํางานตลอดเวลา เดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาให้เราพัรรู้ทันเขไปเรื่อยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงเขาหัดรู้อย่างที่เป็นไม่ใช่แทรกแซงหัดรู้ไปเรื่อยๆคุณเบอร์ห้ารู้สึกไหมใจเบลเบลไปรู ป, ป, ปหนึ่งก็รู้ว่าใจมันเบลไปมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยังงั้นเบอร์รสี่นีไปคิดละรู้สึกไหมลืมกายลืมใจไปละ ลืมกายลืมใจนะะชาวไฟฟ้านี่ชอบนั่งสมาธินะถูกติดสมาธิหลายคนสมาธิที่ไปเพ่งไปเจ้าเนี่ยเป็นศัตรูหมายเลขสองของการทํานิพพานศัตรูหมายเลขหนึ่งคือความขาดสติลืมกายลืมใจที่ลืมกายลืมใจพระสงฆ์กิจออกนอก มัวแต่ไปดูมัวแต่ไปฟังมัวแต่ไปดมกลิ่นริ้มรสมัวแต่รู้สัมผัสทางกายมัวแต่รู้เรื่องราวที่คิดที่นึกที่ปรุงที่แต่งส่งกิ่นออกนอกนี่ศัตรูใหมายเลขหนึ่งก็ทําทให้รู้กายรู้ใจไม่ได้ศัตรูใหมายเลขสองคือการเที่ยงกายเที่ยงใจเช่นเรารู้ลมหายใจเราก็เที่งอยู่ที่ลมอย่างเดียวให้จิตนิ่งวิปัสสนาเนี่ยเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงการเที่งมันทําให้กายผิดความจริงนิ่งผิดความจริง การเพ่งมันทำให้จิตนิ่งผิดความเป็นจริงดังั้นการเพ่งเนี่ยเรารู้กายรู้ใจจริงแต่รู้ไม่ตรงตามความเป็นจริงมันเป็นการเข้าไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจนี่คือเป็นศัตรูหมายเลข 2. สองศัตรูหมายเลขหนึ่งหลงไปเผลอไปใจลอยไปแอบไปคิดเปนึกขณะที่หลงไปนั้นลืมกายลืมใจอันนี้ใช้ไม่ได้เลยหลงโลกไปเลยอย่างที่สองไม่ลืมกายลืมใจแต่เพ่งกายเพ่งใจ กายก็นิ่งนิ่งใจก็นิ่งนิ่งแทนที่จะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นใจตามความเป็นจริงก็เห็นมันผิดความจริงแล้วเราไปดัดแปลงให้ผิดความจริงมิปัสนาเนี่ยห้ามดัดแปลงนะกายเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นทำอะไรกายเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตเป็นไงก็ไม่รู้นิ่งลูกเดียวไม่เกิดปัญญาตัวนี้แหละคือสิ่งที่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยติดอยู่ ที่หลงพ่อกล้าพูดพนั่เพราะหลวงพ่อพูดซื่อๆหลวง พ, พ่อเป็นคนที่จิตไหวหลวงพ่อเทียเ่ยวตระเวณตามสำนักครูบาาจารย์แล้วก็สำนักต่างๆนี้ทเที่ยวไปเยอะมากเลยไปดูตัวอาจารย์นะไม่ได้ไปดูตัวลูกศิษย์หรอกไปดูว่าเข้าภาวนากันยังไงนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยทิ้เงเราบังคับกายบังคับใจเรามีความสําคัญมั่นหมายผิดผิดอยู่อย่างหนึ่ง คิว่าถ้าเราบังคับกายบังคับใจได้แล้วเราจะเข้าถึงธรรมะการบังคับกายบังคับใจตัวเองเนี่ยมีชื่อเพราะเพราะนะเรียกว่าอัตตะกิลมัทฐานโยคเคยได้ยินใช่ไหมพวกเข้าวัดหลงเพลินตามกิเลนนี่เรียกว่าความสุขาริการโยคนี่คือความสุ่โตสองด้านที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะว่าเพ่งกายเพ่งใจคืออัตตะกิลมัทฐานโยคในคัมภีร์มี คำพีอัตถกาถนาะชื่ออะไรนะโอคัสรณะใช่ไหมโอคัสรณะสูตรนะอัตถกาถาสอนไว้เลยว่าความปรุงแต่งมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งปรุงแต่งตามใจกิเลสไปเรียกว่าอาปุญญาที่สังขารก็ได้เรียกว่ากามสุขผลิการนโย o ก, ก็ได้อีกอย่างหนึ่งปรุงแต่งของผู้ปฏิบัติเรียกว่าปรุงแต่งฝ่ายดีบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจบ เร็นออักตากิลมัฏฐานโยคทำตนให้ลำบากถ้าเมื่อไรเราลงมือปฏิบัติแล้วร่างกายจิตใจของเราผิดจากมนุษย์ธรรมดานะเมื่อนั้นผิดละเมื่อนั้นผิดละหลายคนนั่งสมาธิรู้สึกไหมตัวก็แข็งแข็งคอแข็งหลังแข็งมันผิดพลาดละ่ะหรือจิตใจก็แข็งซึมซมนิ่งนิ่งไปผิดแปลว่าปัจิก็ผิดพลาดละ่ะ เรามักจะสําคัญมั่นหมายว่าการปฏิบัติน่คือการทําอะไรที่เกินธรรมดาทั้งๆที่เราต้องการทำมากคือธรรมดาเราต้องการเห็นว่าธรรมดาของกายเป็นยังไงธรรมดาของใจเป็นยังไงถ้าเราเห็นธรรมดาได้นะเราก็จะไม่ยึดถือมันเพราะธรรมดาของกายของใจคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเราต้องการเห็นความเป็นธรรมดาแต่เราปฏิบัติเราจะเกินธรรมดาตลอดเราลองทบทวนตัวเองนะว่าหลวงพ่อใส่ร้ายห ร, ยรือเปล่า อย่างพระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมสอนอานาปนสติท่านสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บันลังคือนั่งคัดสมาธิให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าหายใจเข้าสั้นเนี่ยประโยคแค่เนี้ยถามว่า จริงๆพอเราลงมือปฏิบัติเราทําผิดจากที่ท่านสอนว่าขี่แห่งท่านบอกว่าให้กู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าดํำรงสติเฉพาะหน้าหมายถึงรู้กับปัจจุบันเราเราเอาชาติเอาสติไปตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้กับลมวางตั้งไว้ที่โน่นตั้งไว้ที่ น, น, นี่เราไม่ได้สนใจปัจจุบัน รู้พลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวพวกเราเกือบร้อยละร้อยเวลาหายใจเราหายใจเข้าก่อนใช่ไหมมีแต่หายใจเข้าก่อนแล้วค่อยหายใจออกในขณะที่พระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวลองเปลี่ยนวิธีหายใจถ้าเราจะเริ่มภาวนา แต่ที่จะหายใจเข้าก่อนลองหายใจออกก่อนจิตจะไม่เหมือนกันถ้าหายใจเข้าก่อนนะจิตจะแข็งกระด้างถ้าหายใจออกก่อนจิตจะผ่อนคลายเท่านี้ก็ไม่เหมือนกันละถ้าจิตเราผ่อนคลายแล้วก็หายใจเห็นร่างกายนี้หายใจไปด้วยจิตที่ผ่อนคลายเนี่ยปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกแต่ถ้าเริ่มต้นอย่างนี้ หายใจก็จะแข็งปึ๊กเข้ามาเลยไม่รู้อะไรแล้วตอนนี้ก็จะนิ่งลูกเดียวนะนี่งั้นทำตามที่ผู้เจ้าสอนเราจะง่ายแล้วท่านสอนบอกว่าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวของเราจะเติมนะเติมจากที่ท่านสอนหายใจก็ต้องมีฐานของลมใช่ไหมเรียนนึกออกไหมมีฐานของลมบางคนมีหนึ่งฐานสองฐานสามฐานจนถึงเจ็ดฐาน ถ้คิดละเอียดละเอียดจะ อ, อาจจะได้สิบฐานยี่สิบฐานอะไรก็ได้คําสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่อาจารย์สอนมันคืออุบายอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นหลักของการปฏิบัติอะไรที่เป็นแท็กติกเฉพาะตัวอาจารย์สร้างขึ้นมาเป็นเป็นอุบายเ ป, เป็นแท็กติกเท่านั้นพวกเราไปหลงอุบายจนลืมหลัก แทนที่เราจะหายใจด้วยความรู้สึกผ่อนคลายเห็นร่างกายหายใจไปเราเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแทนที่จะเห็นอย่างนี้แล้วก็สอนสอนความเห็นจิดว่ากายกับใจเป็นเราเราก็หายใจไม่เหมือนธรรมดาพอเราคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไร่เราก็ดัดแปลงการหายใจของตัวเองหายใจผิดปกติหายใจไม่เหมือนคนปกติ หรือมีฐานของการหายใจขึ้นมาทั้งมากมายพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราทําเกินที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะโน้มน้อมไปสู่สมถะกรรมฐานเป็นหลักการที่เรามีฐานมัดเอาสตินะมัดลมหายใจตามฐานต่างๆทำไปเรื่อยๆ ไ, ได้แต่ความสงบมันไม่ได้เห็นความจริงของกายของใจ หรืออย่างพระพุทธเจ้าสอนเดินจงก่มพิสูจนทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนเมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอนท่านสอนง่ายๆแต่อาจารย์จะสอนอีกต่างเดินต้องมีกระบวนท่าต้องเดินท่านี้ถึงจะถูกเดินท่านี้ไม่ถูกเดินต้องมีจังหวะต้องเท่านี้จังหวะถึงถูกเท่านี้จังหวะไม่ถูกสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนอนะีก ส้าสอนให้เดินด้วยความรู้สึกตัวนั่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวคําว่ารู้สึกตัวก็คือไม่เผลอไปใจลอยไปกับไม่ไปเพ่งเอาไว้แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรูส Built ้สึกถึงความมีอยู่ของใจคําว่ารู้ ส, สึกถึงความมีอยู um ่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจนี่แหละคือหน้าที่ของสติสติมีหน้าที่ระลึกสติไม่ได้มีหน้าที่กําหนดนะพวกเรารุ่นหลังๆคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้น แทนที่สติจะระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจเราเอาสติไปกําหนดกายกําหนดใจเช่นกําหนดลมหายใจกําหนดอิริยาบถสีนะกาหนดเวทนานะกําหนดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างสติจริงๆคือความระลึกนะระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของใจถ้าเมื่อไหร่เราใจลอยเราจะระลึกไม่ได้ถึงความมีอยู่ของกายของใจกลยกับใจมีอยู่แต่เหมือนก็หายไป สังเกตไหมตอนที่ใจลอยหรือตอนที่ดูพระพุทธรูปเมื่อกี้นี้กายก็ยังมีอยู่นะแต่เราลืมมันไปจิตใจก็มีอยู่แต่เราลืมมันไปนี่เรียกว่าขาดสตินั่นเองลืมกายลืมใจสติเป็นเครื่องระลึกรู้ความมีอยู่ของกายระลึกรู้ของความมีอยู่ของใจสตรูของสติคือความขาดสติความเผลอความหลงนั่นเองความใจลอยนั่นเองความเม่อ นี่พอเรามีสติแล้วใจเราต้องมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นตั้งมั่นอย่างนุ่มนวลอ่อนโยนตั้งมั่นแบบเบาๆนะเรียกมีระพูตาใจเราเบามีมุตุตาใจเราอ่อนโยนนุ่มนวลมีกรรมัญญาตาควรแก่การงานคือไม่ถูกกิเกลสครอบงำอย่างภาวนาด้วยความอยากปฏิบัติอยากได้มรรคผลนิพพานอยากปฏิบัติเรียกว่ามีกิเกลสครอบงำ จิตไม่วควรแก่การงานจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลต้องแคงว่างไวเรียกว่าปาคุณตาไม่ใช่สืมทื่อผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยน้อมจิตให้ซึมทื่อนั่นทาตาตําลายปาคุณตาลงไปแ้วจิตที่ซึมทื่อเป็นอกุศลและจิตเราจิตที่เป็นอกุศ ล, ล, ศลมันจเจริญนิพพสนาไม่ได้จิตที่เป็นกุศลมีอุชุกตาคือซื่อ ซื่อตรงในการรู้อารมณ์กายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นซื่อๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตที่มีสัมมาสมาธิจิตของเราต้องสบายต้องผ่อนคลายรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงไม่เผลอไปคร <c oughs> ูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้จิตผู้รู้ไม่ใช่จิตที่แข็งกระด้างไม่ใช่จิตที่ทื่อๆซึมๆจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน อย่าลืมคาว่าเบิกบานอย่าลืมคว่าตื่นอย่างนั่งแล้วบอกว่ารู้อยู่นะแต่ซึมๆอยู่นี่เรียกว่าไม่ตื่นนั่งอยู่แล้วแข็งกระด้างไม่เบิกบานนั่นไม่ใช่จิตผู้รู้นั่นเป็นจิตผู้เพ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตที่มีคุณภาพนะมีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอ่อนโยนนุ่มนวลเบาเป็นกลางสบายต้่องแค่วว่องไวซื่อตรงในการรู้กายรู้ใจ เรามีจิตชนิดนี้ขึ้นแล้วเวลาสติระลึกรู้กายเราจะเห็นความจริงของกายการเห็นความจริงของกายหรือกว่าปัญญามีสติระลึกรู้จิตใจเราก็าจะเห็นความจริงของจิตใจการเห็นความจริงนั่นแหละเรียกว่าปัญญาเวลาต้องมีเครื่องมือคือมีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญาสติเป็นความระลึกได้ถึงกายถึงใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจไม่เผลอไม่ใจลอยไป สัมมาสมาธิใจเบาใจนุ่มนวลใจอ่อนโยนไม่ใช่ไปเพ่งกายเพ่งใจเนี่ยพวกเผลอไปก็คือพวกขาดสติพวกเพ่งกายเพ่งใจก็คือพวกขาดสัมมาสมาธิเพ่งแล้วใจชื้นๆถ้าเราไม่เผลอไปกับเราไม่เพ่งไว้เรียกเรามีสติเรามีสัมมาสมาธิเ <c oughs> มื่อใดมีสัมมาสมาธิมีสติแล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เราจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหลวงพ่อขอย้ําว่าเห็นทันทีเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนกรรมฐ า, านกับหลวงพ่อเนี่ยด้วยความอดทนนะบางคนเรียนสองครั้งสามครั้งบางคนเรียนหนึ่งครั้งหรือบางคนเรียนเดือนหนึ่งสองเดือนฝึกอยู่แค่นั้นเองแล้วหัดรู้ไม่ใช่หัดเพ่ง <c oughs> เพียงไม่นานเลยก็จะพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างน่าอัศจรรย์ความทุกข์จะลนหายต่อหน้าต่อตาเลย พฤติกรรมของตัวเองเปลี่ยนจนคนรอบข้างรู้สึกได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่กระจอกนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมะของมหาบุรุษลักษณะธรรมะของมหาบุรุษคือไม่เนิ่นช้าองค์ประกอบอันหนึ่งคือให้ผลอย่างไม่เนิ่นช้าเลยนั้นถ้าฟังธรรมจนสติตัวจริงๆเกิดขึ้นมาสัมมาสมาธิแท้ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการในตัวเองอย่างรวดเร็วไม่เนิ่นช้า ถ้าเนินช้าทำผิดแน่นอนแล้วถ้าหลายปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมนั่งแล้วก็นิ่งๆไปอีกวันก็ฟุ้งซ่านกลับมานั่งก็นิ่งอีกอะไรอย่างหลายปีทำอยู่อย่างนี้นะเนี่ยว่าเนิ่นช้านะไม่มีพัฒนาการที่เห็นได้อย่างเด่นชัดถ้าไม่ดื้อ น, นะรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้เล่นๆรู้บ้างเผลอบ้างไม่ใช่รู้ตลอดเวลาถ้าอยากรู้ตลอดเวลาคือการเพ่งคือการเพ่งจงใจไปรู้ ดนั้นถ้าเรารู้เป็นนะฟังข้ว่อไปเรื่อยๆฟังด้วยความใจเยน็ยนฟังอย่างสบายใจฟังไปเรื่อยถึงจนหนึ่งสติตัวจริงเกิดขึ้นมาใจเราจะตั้งมั่นมีสัมมาส ม, มาธิขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานเราจะเห็นกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานทั้งวันทั้งคืนกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเห็นทันทีเลยไม่ใช่เรื่องอัศจริย์เห็นว่ากายเป็นตัวเราฝึกไปช่วงหนึ่งก็จะเริ่มเห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเรา การเห็นกายไม่ใช่เราเป็นของง่ายการเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเป็นของยากแต่ตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะก็จะละสักกายพิฐิเป็นสโสดาบันไม่ได้จะเป็นสโสดาบันได้ต้องละสักกายพิธิคือเห็นทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เราจะไปเห็นแต่กายไม่ใช่เราอันเดียวยังไม่ละพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายดูพรักภิกษุทั้งหลายอุถุชนที่ไม่ได้สดับ สามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราการเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานี้ยากนะักมีแต่ในธรรมวิไนัยนี้เท่านั้นถึงจะเห็นได้หัดเจริญสตินะหัดรู้สึกตัวไปเห็นการทํางานของจิตใจไปอย่างบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อครั้งเดียวก็เริ่มเห็นลนะอย่างพอหลวงพ่อพาให้ดูเห็นไหมเวลาฟังหลวงพ่อเดี๋ยวก็คิดนะเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็คิดนะ เดี๋ยวก็ฟังสลับไปสลับมาจิตจะไปฟังจิตจะไปคิดหรือจิตจะรู้สึกเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้จิตเป็นไปเองการที่เราเห็นว่าจิตทํางานได้เองเริ่มเห็นความจริงของจิตและมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในภาวะแดนหนึ่งไม่ได้มันบังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้นะเห็นซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ํามานะร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแล้วแต่ปริมาณความดื้อที่สะสมมาในสังสารวัตร ถ้าไม่ดื้อมากนะเห็นจิตมันเกิดดับอยู่ไม่ทีทีนะก็ตัดสินความรู้ได้ละรวมเข้ามาเป็นทัศน์ดาบันทัศนดาบันไม่ใช่คิดเอาเองว่าเป็นทัดาบันนะมันมีกระบวนการของจิตที่จะตัดสินความรู้เป็นทัศโสดาบันมีกิริยาการของจิตไม่ใช่อยู่ๆก็นึกเอางั้นค่อยๆฟังนะฟังหัวขอ้อครั้งแรกเนี่ยหลายคนสารภาพเลยว่ามึน ฟังแล้วหมื่นมากยากมากทําไมเอาอะไรยากๆมาให้ฟังพฟังง่ายๆฟังมาเยอะแล้วต่อนะไปนี้ตั้งใจฟังฟังด้วยความรู้สึกสบายๆไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรเพราะมีซีดีให้ฟังด้วยซนะีดีไปฟังอีกแต่ถ้ารู้เรื่องนะหลวงพ่อกล้ายืนยั น, นถ้าฟังหลวงพ่อด้วยใจเย็นๆ็นเข้าใจแล้วเนี่ยในเวลาเดือนเดียวนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองต้าท่าเลยนะในเวลาไม่นานหรอก จากคนที่เหลลงทั้งวันเผลอทั้งวันก็จะเผลอสั้นๆเผลอแวบรู้สึกแวรู้สึกขึ้นมาได้จากคนซึ่งถูกกิเลสรับงำแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนดีจะเริ่มเห็นความจริงว่าจริงๆแล้วเราร้ายกว่าที่คิดไว้มากเลยเดี๋ยวเราฟังพวกเก่าๆส่งกันบ้านจะรู้เลยพวกเก่าๆจะบอกเลยว่าอภัยไข้หน้าตัวเองมากเลยมันร้ายเหลือเกินมันร้ายนังแม่มดตัวจริงไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะ เปนสะสมอยู่ในตัวเราเองนี่ท่อมดแม่มดนังปีาศาจไอ้ปีาศาจอะไรอยู่ในตัวเองนี่เอนั้นหัดนะฟังไปฟังเล่นๆไปถึงจุดหนึ่งสติเกิดขึ้นมาแล้วจะเห็นด้วยตัวเองแล้วก็จะเห็นพัฒนาการอย่างรวดเร็วมากเลยความทุกข์ก็จะสั้นลงกิเลสก็จะสั้นลงเพราะอะไรเพราะว่าความทุกข์และ ก, กิเลสเกิดตอนเผลอจำไหมนะความทุกข์และ ก, กิเลสเกิดตอนเผลอเท่านั้นถ้ามีสติขึ้นมา ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ก็เห็นแต่ธาตุเห็นแต่ขันเ็าทำงานของเขาเห็นขันนั้นว่ามันมีความทุกข์ขันมันมีความทุกข์แต่เราไม่ทุกข์กับขันเลยตางคนต่างอยู่ยันพวกเรามาฟังได้สี่วันสี่วันใช่ไหมสี่วันถ้าไม่ดื้อนะใช้ได้กลับไปเราจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง คุณเบอร์ยี่สิบใจลอยไปรู้สึกไหมเบอร์ยี 20, นะ่สิบใจมันหนีไปยี่สิบสองใจลอยยี่บสามใจลอยสิบเจดใจลอยสิบแปดก็ใจลอยนะรู้สึกแล้ว น, นะคุณเบอร์ห้านี้เรียนได้เร็วกว่าเพื่อนเลยนะเปลี่ยนได้เร็วจิตมันตื่นขึ้นมาแนละ้วจิตมีปิติรื้ว่ามีปิตินะรู้ลงไป ของคุณใช้ได้ล้วบางคนเรียนครั้งเดียวก็ใช้ได้ล้วบางคนใช้ได้มาตั้งแต่อย่างมาไม่ถึงวัดก็ไปฟังซีดีมา <c oughs> มีหลายคนนะมามาขอบคุณหลวงพ่อตื่นขึ้นมาแล้วรู้ตัวแล้วเห็นแล้วว่าความทุกข์มันมาได้ยังไง <c oughs> ความทุกข์มันตกหายไปต่อหน้าต่อตา ตรวจกันบ้านนะสักคนหนึ่งนะสง่งไมมาข้างหน้านะหน่อยมาไมอยู่นะตอนเนี้ยอยู่ข้างหน้าสุดแล้วอ่ะไหว ม, มันเป็นเหมือนเมื่อวานค่ะพอถึข้างหน้านี้มันเอางนี้นนไม่ต้องส่ง <c oughs> <c oughs> หให้ปรับไมก่อน ใช้ได้แล้วนะดีจิตมันตื่นแล้วก็รู้สึกเอานะมันชื่อเรียกยากรู้สึกไปนะแต่จิตไม่ถึงฐานรู้สึกไหมจิตตั้งมั่นไม่ถึงฐานขาดอยู่นิดหนึ่งดูออกไหมอือแค่รู้สึกเอาให้รู้ทันอย่าไปดึงให้ถึงฐานนะแค่รู้สึกว่าไม่ถึงฐานเอาให้ส่งกันบ้านมีหนึ่งนาทีอ่ะ พูดใส่เลยเวลามานั่งข้างหน้านี่เรารู้สึกเหมือนเมื่อวานอาการหลวงพ่มันเหมือนกับติดมันหลุกหลีกมันไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนดีอะไม่มีที่อยู่ยแล้วหลวงพ่อให้รู้ว่าหลุกหลีกเรเห็นความหลุกหลีกอะค่ะแล้วช่วงแรกมันจ ะ, ะรู้สึกพยายามที่จะไม่ให้มันหลุกหลีก <ทำ S 2> แล้วทําเราก็ไปเห็น <ทำ S 2> ว่าเออมันไม่อยากหลุกหลีกแต่มันก็ยังเป็นนะคะก็ปล่อยมันไปใส่่ แล้วดูมันหลุดหลีกไ ป, ไปเห็นไหมจิตมันจะหลุดหลี ก, ลกห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรานะมันทำงานของมันได้เองเนี่อหลงไปแนละ้วเอาม้อนใจลอยไปแนละ้วมันใช้ได้แล้วนะรู้สึกไปแปดโมงพอดีไปเชิญทานข้าวไป